ในการให้ความสนับสนุนศาสนาของพรมบรรดานาบีของโรมและบรรดาคนรักของพรมพร้อมกับได้ยกอุทาหรณ์ถึงพวกมุสลินที่ต่อต้านศาสนาของโรมดังเช่นผู้ที่ต้องการจะดับรัศมีของดวงอาทิตย์ด้วยปากอันสกปรกของเขาบทได้เรียกร้องเชิญชวนบรรดาผู้ศรัทธาไปสู่การค้าที่มีผลกําไรและสนับสนุนพวกเขาให้ต่อสู้ในทางของอัลลอฮฺ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 ซึ่งก็ต้องมีการตั้งแถวจัดแถวจึงให้ชื่อว่าบทอาร์ซอซึ่งแปลว่าแถวนั่นเองด้วยพระนามของอัลลอะ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอสบบมม ز ز ิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินต่างแท้สองสะดุดีแด่อัลลอะ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 อินนลแท้จริง a ล l a h สงรักผู้ที่ต่อสู้ในทางของพระองค์เป็นแถวเดียวกันเพราะหนึ่งพวกเขาเป็นอาคารที่ยึดติดกัน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 และความจริงพวกเจ้ารู้แล้วไม่ใช่หรือว่าแท้จริงฉันเป็นาศนาสนทูตของอัลลอฮ์มาอย่างพวกเจ้าดังนั้นเมื่อพวกเขาหันเหไปจากแนวทางที่เรียงตรงอัลลอะ์ก็ทรงทางหาให้วาจของพวกเขาหันเหออกไป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 และจงรำลึกถึงเมื่ออีสาบุตรของมารยมได้กล่าวว่าโอ้วงวานอิสราเอลเอ๋ยแท้จริงฉันเป็นาศาสนาทูตจากอัลลอฮ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 นี่คือมายากลอันชัดแจ้าและผู้ได้เล่าจะอาธรรมยิ่งไปกว่าผู้ที่กล่าวเท่าต่ออัลล่ะด้วยปากของเขาขณะที่เขาถูกเชิญชวนสู่อิสลามและอัลล่ะนั้นจะไม่ทรงชี้ทางนำที่ถูกต้องแก่กลุ่มชนผู้อาธรรม พวกเขาปราถนาที่จะดับรัศมีของอัลลอฮ์ด้วยปากของพวกเขาแต่ลราเป็นผู้ทาให้รัศมีของพรงสมบูรณ์แม้ว่าพวกปฏิเสธศรัทาจะเกลียดชังระตาม。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 น, น, كم كم นั่นคือพวกเจ้าต้องศรัทธาต่ออัลลอ์และรอสูลของพระองค์และต่อสู้ดิ้นรนในหนทางของอัลลอ์ด้วยทรัพย์สินของพวกเจ้าและชีวิตของพวกเจ้า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 قال الحواريون نحن أنصار الله ف آ م ن الطائفة من بني إسرائيل فأمن ا ط ا ئ ف ة من بني إسرائيل وكفر الطائفة ف أ ي د ن ا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظ ا ه ر ي ن